ทำสอนว่าวิตกเนี่ยสามารถยกธรรมที่เกิดพร้อมกับต น, นสู่อารมณ์ใช่หมยกสัมยุต ธ, ธรรมที่วิตกเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ยกยกสัมยุต ธ, ธรรมคิดอารมณ์นั่นเองเจตนาก็กระตุ้นธรรมที่เกิดพร้อมกับต น, นอันวิตกยกขึ้นแล้วสู่อารมณ์หมายถึงว่าในชั้นของความในความหมาย อ, อีกมุมหนึ่งที่ท่านแสดงไว้ แล้วให้ประกอบกับตนนะดุดแม่ทัพกระตุ้นทหารให้ประกอบร่วมกันกับตนในสนามโลกตัวเจตนาถ้าบางแห่งท่านอุปมาเหมือนกับหัวหน้าสิทธ์ใช่ไหมหัวหน้าสิทธิ์ท่านในชั้นของคําสอนโดยทั่วไปแต่บางแห่งบอกว่าเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพตัวเจตนา ส่วนมนัสการสามารถได้ทำที่เกิดพร้อมกันกับตนนั้นน่ะที่วิตกยกขึ้นสู่อารมณ์แล้วก็ประกอบอยู่กับอารมณ์ดุดนายสารถีประกอบม้าอาชาในไว้ไว้กับรถทำสามอย่างก็คือวิตกเจตนาและมนสสการนะ่ะต่างกันในลักษณะอย่างนี้เป็นเป็นมติหนึ่งที่ท่านแสดงมาให้คิดนะเป็นมติหนึ่งที่ท่านแสดงมาให้คิดท่านแสดงความต่างกันของวิตก ของเจตนาและของมนสิย์การทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าวิตกนั้นสามารถยกธรรมที่เกิดพร้อมกับตนสู่อารมณ์เจตนาก็กระตุ้นเตือนชักนําสมยุติธรรมเนี่ยนะนะที่เกิดพร้อมกับตนที่วิตกยกขึ้นแล้วสู่อารมณ์ให้ประกอบให้ประกอบร่วมกันกับตนก็หมายความว่าดุจแม่ทัพกระตุ้นทหารให้ประกอบร่วมกับตนในสนามรบ ว่าตนเองกําลังจะทำกิจอะไรเอาช่วยกันนะในทํานองอย่างนี้เนี่ยส่วนมนานัสิกานก็เป็นลักษณะแห่งการที่ว่าสามารถทําให้ธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนเหมือนกันนะที่วิตกยกขึ้นสู่อารมณ์แล้วประกอบกับประกอบอยู่กับอารมณ์เหมือนกับนายสารถีประกอบม้าชานายไว้กับรถทําสาประการนะนะมีวิตกบ้าง มีเจตนาและก็มรณสิการก็ต่างกันด้วยการอย่างนี้ในท่านก็ยกตัวอย่างให้เห็นความต่างกันของวิตกและก็เจตนาและก็มรณสิการให้เห็นจุดต่างกันทีนี้ในที่นี้เราพูดถึงตัวเจตนาที่เป็นทานอกุศลแล้วก็จะขับเน้นไปถึงเจตนาที่เป็นศีลก่อนสรุปก็คืออโลภะก็เป็นทานเจตนาก็เป็นทานก็เริ่มมองเห็นสองตัวนี้ก่อนใช่ไหมเจตนาก็เป็นทานอโลภะก็เป็นทานแต่สังเกตดูว่าพอพูดถึงศรัทธาทาน พูดถึงสักกจทานพูดถึงในเรื่องของการท า, านอนุขหิทท า, านและอนุปหิจทานในเรื่องของสัพปริจทานหก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการเหตุผลที่จะเกิดความเข้าใจไม่ใช่ขับเน้นแค่อโลภะหรืออโทสาเท่านั้นเองกลับไปขับเน้นให้เกิดความให้มีปัญญาให้เกิดความเข้าใจในการให้ทานด้วยนั้นปัญญาที่มาเกิดความเข้าใจในการให้ทานก็เรื่องของกรรมมาสกตาสัมมาธิฏฐิ เรื่องเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมอันนี้พอจะชัดขึ้นัหมมองยากไหมใครมองยากในเรื่องของกรรมเองช่วยถามกันหน่อ ย, ยชัดระหว่างนะคะจากของจริงเมื่อไหร่เป็นเจตนาทานเมื่อไหร่เป็นอรารมพทาน<อ>เพราะว่าในขนาดคราวดเดียวกันเนี่ย เนื่องจากว่าเจตนาอยู่ในจิตทุกดวงอยู่แล้วถูกหัหยเจ้าค่ะทำหน้าที่ทำให้เรียกว่าสัมยัทธรรมอื่นๆเนี่ยได้ทำกิจของตอนของตอนเนี่ยค่ะจะขึ้นอยู่กับเมืนกะเวลาที่รักษาสีนนะคะเป็นเจตนาสีลเจตสิกศีนอย่างเป็นวิรติเป็นต้นน่ะนะคะซึ่งดูว่าอะไรเป็นเหตุที่เป็นหัวหน้าในขณะนั้นใช่หรือไม่เจ้าค่ะระหว่างเจตนาทานกับอรภาทานเจ้าค่ะ คือคือถ้ามองเจตนาท่านขับเน้นเจตนาก่อนให้เจคนาขณะให้แล้วก็หลังให้เป็นเรื่องเจตนาคือการตั้งใจตั้งใจที่จะจะจะจะให้ทานคำว่าตั้งใจที่จะให้ทานเนี่ยเมื่อเจตนานั้นทากิจในการตั้งใจแล้วเนี่ยก็ยังกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันกับเจตนานั้นใช่ถ้ามองในแง่นี้ก็คือเจตนานั้นก็ ทำทำทั้งหลายที่วิตกยกขึ้นในทํานองอย่างนี้ยถ้าอธิบายตามในเนี้เนี่ยแท้จริงก็คือเป็นเจตนาเนะี่ยคือความตั้งใจในการที่จะจะให้ทานเพราะเจตนาที่เกิดขึ้นจากการให้ทานก็เริ่มคิดที่จริงโดยมากถ้าเรามองกันบอกว่าสมมุติว่าเราบอกว่าเออเนี่ยอีกห้าวันนะเราจะจัดให้มีการบังทำพอดีเราจะบริจาคทานด้วยอย่างเนี้เนี่ยความคิดตัเตรียมทั้งหลายสิ่งของต่างๆนั่นแหะเจตนาคือจิตที่คิดขึ้นมาตรงนี้ แต่ในขณะที่คิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราได้ศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วเราเริ่มจะมองความคิดแล้วตัวเนี้ยไม่ใช่มองแค่วัตถุอย่างเดียวแล้วใช่ไหมวัตถุที่ควรจะเอาอะไรนะมาเลี้ยงพระเอวยมาถวายพระเอวยให้กับผู้ร่วมฟังธรรมทั้งหลายเป็นต้นเลยเนี่ยอันนี้อันนี้เรามองไปที่วัตถุสิ่งของแต่ในขณะเดียวกันตรงเนี้ยความที่ว่ากล่าวเมื่อตอนเช้าเพราะปัญญาจะต้องมาร่วมทํากิจด้วยนะไอความชัดว่าสภาพของกุศลมันเกิดขึ้นในจริงหรือไม่เนี่ย สภาพของเจตนานั่ยแหละก็จ้องไปขับเน้นกลุ่มพวกนี้ขับเน้นกลุ่มพวกนี้เกิดขึ้นแต่ความตั้งใจนั่นแหละเกิดขึ้นในกรณีว่าให้เป็นสภาพจิตที่เป็นใบกกุศลเกิดขึ้นแต่ว่าก็ไปปรุงแต่งจิตเกิดขึ้นก็จริงอยู่แต่ก็ไปคิดถึงเรื่องว่าควรเอาอะไรไปให้ว่าควรเอาอะไรไปให้เบ็ดเสร็จอะไนี้ก็เราก็เอาคําสอนพระเจ้ามาตรวจสอบตัวเองเลยในเรื่องของการละทานก็ดีในเรื่องของสัพพฤษสถานเป็นต้นก็ดีก็มาไขาควรตามนั้นใช่ไหม แล้วเราก็เริ่มปรุงแต่งวิธีคิดของเราเป็นต้นอะ่าเนี้ยในการที่จัดแจงเรียกคนนั้นมาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นอะ่าเงี้ยอันนี้ก็คือสังเกตนี่เป็นกลุ่มนี่ก็ได้ของเจียรตนาตเมื่อกี้ยอมถามบอกว่าเออแล้วสภาพอโลพาสภาพอโลภเวลาเกิดขึ้นอโลภาถ้าเกิดขึ้นเนี่ยท่านดูผลสภาพของอโลภาคือความไม่ติดข้องในในสีเสียงกลิ่นรสหรือไม่ติดข้องในตัววัตถุ ถ้าวัตถุทั้งที่สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตถ้าอา ร, รมพะทำกิจเนี่ยท่านเลยอุปมาเหมือนกับใบบัวที่มีน้ําน้ํากลิ้งอยู่บนใบบัวไม่ติดไม่ติดยึดในในน้ําแม้ชั้นใดหรือท่านยกตัวอย่างถ้าให้เห็นชัดก็คือว่าเหมือนใจของพาอรหันทั้งหลายไม่ติดข้องในลมอารมสภาพของอโลภพะจริงอยู่ในสภาพอโลภพะเกิดขึ้นอย่างเรามันจะเป็นชั่วขณะนะที่ความไม่ติดข้องเนี่ย ตราบใดกุศลจิตเกิดขึ้นอโลภะจิตเกิดขึ้นนั้นความไม่ติดข้องในอารมณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นมานั่นแหละอโลภะตรงนี้จะเข้ามามาชัดขึ้นด้วยความไม่โลภเมื่อเราคิดถึงสิ่งของต่างๆเหล่านี้ด้วยความที่เราไม่โลภไม่ยึดติดนั่นเองจึงกล้าสละสิ่งของต่างๆเหล่านี้ได้สภาพอโลภะจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้นี่คือคืออโลภพะฐานจะเกี่ยวข้องอย่างนั้นถามว่าทําไมกล้าให้ได้ซึ่งหลายๆคนก็ไม่กล้าจะให้ อย่าลืมนะถ้ามีความโลภมีความติดข้องยึดติดในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่กล้าให้ถ้ายอมวรวัตรบอกว่ายมวรวัตรเคยในวัตถุสิ่งของเนี่ยถามว่าเคยรักเคยเคยรักสิ่งใดมากที่สุดไหมของเน็ของที่ประดับกายเราอยู่อันนี้ไม่พูดเพื่อจะขอเนียอนี้นาฬิกาก็รักใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี้นยก <c oughs> ถ้าในลักษณะนี้คือกลัวถ้าความโลภเกิดขึ้นมามันจะติดข้องตัวนี้แต่ถ้าอโลภณพเกิดขึ้นมันไม่ยึดติดตัวนี้ไม่ยึดติด ค, นนค่ะคิดได้จ้าคือการให้ครั้งหนึ่งหนึ่งะคะคือตั้งแต่เริ่มต้นเจตนาที่คิดจะสละที่คิดจะให้นะค ะ, ะเจตนาเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยในขณะที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมหากุสรจิตดวงใดดวงหนึ่งนะคะ ถ, ถ้าเาเรื่องของกรรมมาคิดนะคะเข้าใจผลของการให้อันนั้นก็เป็นอย่านะสัมปยุศน ะ, ะนตอนนี้เนี่ยในขณะที่เกิดขึ้นในการให้ที่มีความตั้งใจต่อการที่จะให้ต่อการที่จะสละอันนั้นคือเจตนาทานนะคะ<ช>แต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือขัดเราคือในขณะนั้นก็คือสามารถสละ ตัดขาดได้ อ, อโรพาเจตสิกเนี่ยซึ่งเขาต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะก็ได้กล่าวว่าอารภพาเจตสิกก็เป็นตัวประกอบแต่ผลเนี่ยของเจตนาทานที่เกิดขึ้นเป็นความไข่กราบประดับตกแต่งจิตให้อโรภพพเข้มแข็งขึ้นอย่างกล่าวเช่นนี้ ได้หรือไม่เจ้าคะตัวเจตนาใช่ไหมตัวเจตนาเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นเจตนาทานเพราะมีเจตนาเป็นหลักนะะนะะตอนนี้แต่เจตนาอันนั้นเนี่ยทำให้เนี่ยเจตสิกธรรมต่างๆที่เขาก็ต้องประกอบเข้าไปด้วยกันเนี่ยขณะนั้นก็มีอโรภาเจตสิกประกอบด้วยนะะอโรภคอยตามเจตนาทานคอยตามแน่นอนถือว่าคอยตาม้าทีเหมือนกันเวลารยีแต่ถ้าเวลาในการที่ผู้นั้นเนี่ยคิด ที่จะให้นะด้วยความตั้งจิตปรารถนาจะขัดเกลีจิตตกแต่งจิตเป็นหลักนะะให้ความสำคัญตรงนั้นเป็นหลักโยมว่าอันนั้นอารภพทานเป็นประธานน ะ, ะไม่ทราบว่าจ ะ, จะถูกผิดประการใดจ๊ะอมองคือคือถ้าเราดูดูมุมอย่างที่โยมกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นเห็นขั้นตอนที่เรียงลำดับไปตามเจตนาศีลเจตสิกศีลนะซึ่งจริงๆสอดคล้องคาสอน ในด้านของเจตนาถ้าเจตนาคือการตั้งใจเหมือนมาบอกเมื่อวานนี้บอกว่าตั้งมนสิยการไว้ตั้งใจไว้ว่าไม่ว่าจะเจอพบเจอสิ่งใดจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นไอ้เจตนาตรงนี้เป็นเจตนาทานได้ยังไม่เจตนาทานได้นี่เหมือนกันการตั้งใจว่าเราจะสละเราจะให้เเราจะสละเราจะให้เราจะให้ทานลักษณะการตั้งใจในลักษณะนี้เป็นเจตนา เป็นเจตนาเจตนาก่อนให้แม้ในกาลังให้อยู่ก็แม้กนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสเมื่อให้แล้วก็ดีใจและปลื้มใจเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นเจตนาทำกิจอย่างนี้นะเจตนาทำกิจแต่ถ้าอโลภาก็อย่างที่โยมกล่าวสักครู่เป็นแล้วก็ว่าในขณะที่ว่าให้การให้เนี่ยถามบอกว่าสภาพของอโลภามันเด่นขึ้นโดยตรงที่ว่ามันทำลายอโลภาด่นขึ้น โลพะถูกทำลายมัชริยะถูกทำลายเมื่อเมื่อเจตนามาในลักษณะเี้ยเป็นประธานมาเงี้ยหนึ่งถึงคราวที่โลพอะโลพะจะเด่นขึ้นมาสภาพของอโลพาเจตสิกเหล่านี้มาเด่นในกุศลธรรมก็คือว่าสภาพที่ขึ้นมาเป็นใหญ่โดยการไม่ติดข้องอารมณ์นั้นใช่ความความเด่นข้องว่าเหตุผลที่กล้าสละกล้าอะไรต่างๆนี้สภาพของอะโลภเด่นขึ้นคือความไม่ยึดติดแล้วก็ความสละมณฑินทั้งหลาย คือความต์นหนีทั้งหลายความหวงแหนความยึดติดทั้งหลาย เ, ยเนียสภาพใจก็เป็นใจที่สะอาดเป็นใจที่ดีเกิดขึ้นเนี่ยสภาพตรงนั้ น, นอะโลพาเด่นขึ้นใช่จะนะตรงนั้นแหละเพราะว่ากรณีอย่างนั้นน่ะตัวโลพาถูกทุบถูกทำลายไปเพราะว่าจริงๆกรณีแห่งการตั้งไว้ก่อนเนี่ยถ้าตั้งไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นเจตนาก็ได้จะไม่เด่นบางครั้งใช่แต่เจตนานละกับ เป็นการกระตุ้นเตือนอโลภาให้เด่นขึ้นก็ได้แต่ถ้าโลพาใช่พอพอหลังจากทําจนนั้นไปเสร็จหนักเข้าเนี่ยโลภาเด่นเลยเอออโลภาอโลภาก็ขึ้นมาเด่นขึ้นเลยกลายเป็นบุคคลที่ชํานาญมากในการที่คิดในเรื่องของความไม่โลภได้ง่ายมากของบางอย่างน่าจะติดยึดติดแต่ก็ไม่ยึดติดกล้าที่จะสละได้จริงๆด้วยโ ด, ย, ด, ย, ดยเฉพาะว่าสละแล้วไม่ใช่สละแบบธรรมดาด้วย สามารถทำปัญญาเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุผลที่สลาดนั้นเพราะน้อมที่จะบูชาพระรัตนตรัยอย่างไรแล้วก็เห็นกรรมเห็นผลของกรรมอย่างไรเนี่ยตรงนี้เริ่มปัญญาเป้าหมายทั้งหมดการให้ทานเนี่ยต้องการให้ปัญญาเด่นนะสำคัญที่สุดเลยการให้เพราะพุทธศาสนาไม่ได้ขับเน้นเรื่องการงมงายใช่ขับเน้นเรื่องการให้แล้วรู้เหตุผลของการให้ค่อนข้างชัดเจน การที่จะรู้เหตุผลของการให้ชัดเจนก็แปลว่าในทานกุศลที่พระศาสดาระดมสั่งสอนมาทั้งหมดนั้นเห็นเหตุผลตรงนี้นี่ก็เริ่มเข้าใจแล้วทีนี้นี่พอจะมองเห็นทานกุศลชัดขึ้นนะเนี่ยซึ่งในรายละเอียดแต่ละอย่างแต่ละตัวนี่ก็ต้องมาแจกแจงลักขณาให้จะดูกะแต่ละอย่างเพื่อจะมองให้เห็นชัดเจนขึ้นทีนี้จากการที่ให้เป็นอโลภาเจตนาทานอโลภาทานแล้วก็ตัววัตถุทานก็ไปปรุงแต่งตามที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย หรือพระเจ้าสอนเขาไว้ในการที่จะทําให้สิ่งของใดๆเป็นต้นเหล่านั้นที่ให้เหมาะสมแก่บุคคลถ้าบรญชิตก็ให้ของที่ควรแก่บัญชิตคฤราหัดก็ให้ของที่สมควรแก่คาราหัดอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมที่สุดจริงๆก็ไปด้านเป็นได้คำมหาสระด้านของร่างการให้ทานที่มาแยกแยะรายละเอียดจนถึงว่าสามารถที่จะเป็นทานนบดีเป็นต้นได้จากการที่เป็นแค่ฮีนาทานสหายทานแล้วก็เป็นทานะทานนบทานบดี ก็คือเป็นผู้เป็นใหญ่ในการที่จะให้ในการที่จะสละได้จริงตรงนี้ก็คือการหลักการพัฒนาในการให้ที่สุดจริงๆจากการสละเนี่ยพ้ไปดูในชั้นของคําสอนพระพุทธเจ้าก็จะบอกหรือในคําสอนก็จะบอกว่าบุคคลที่ให้ทานเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นจึงเป็นบุคคลที่สะดวกต่อการที่จะเจริญศีลกุศลตอนนี้การเดินเข้าสู่ศีลกุศลก็ง่ายแล้วเพราะว่าเป็นผู้ที่มีปกติในการให้เมื่อ ใหม่ๆให้วัตถุให้วัตถุใช่ไหมให้สีให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้สัมผัสให้ทาอารมณ์เป็นทานด้วยให้ที่อยู่อาศัยให้เครื่องนุ่งห่มให้ยาให้อาหารก็ง่ายให้ที่นอนให้แสงสว่างให้ประทีปให้น้ำให้ข้าวเป็นทานให้ยานภานะเป็นทานให้อะไรต่างๆเยอะแยะไปเสด็จเนอะของที่สลากให้สะดวกแต่การให้หนักเข้าเนี่ยการให้นามธรรมการขับเน้นนามธรรมเริ่มมีกาลังขึ้นแล้ว ทำให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาโดยเฉพาะทำฉันทะแรงกล้ามากฉันทะคือจิตปราถนาในการที่จะให้หรือเสียสละเสียสลามากแล้วก็วิริยะใช่หจิตใจก็เพียนพยายามในการที่จะระดมจิตต่างๆนั้นไม่ถอยจากกุศลแล้วเพราะในขณะทะี่กุศลเกิดขึ้นมาแล้วความเพียรพยายามเกิดขึ้นว่าขนาดต้องบอกว่า พระโพธิสัตว์เนี่ยบอกว่าไม่หยุดแม้ฉันท้าน่ยมีความรากักความปรารถนาอย่างต่อเนื่องให้ได้ทุกอย่างทรัพย์ที่มีก็อวัยวะทรัพย์ทรัพก็ดีอวัยวะก็ดีชีวิตในะที่มีนะั้นเพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นเท่านั้นท่านตั้งอัตยาศัยมีฉันท้าแรงกล้ามากวิริยะก็เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องไม่หยุดจิตตะก็จิตใจจดจ่ออยู่นั่นแหละถ้าวันนี้ไม่ได้ให้ก็จะไม่บริโภคเนี่ยนะ ตั้งอัธยาศัยถึงขนาดบอกว่าต้องให้ให้ได้ก่อนจึงจะบริโภคทีหลังขนาดนั้นเลยใครได้ตั้งได้ถึงขนาดนี้ได้ยังยังไงต้องให้ก่อนถึงจะบริโภคเนี่ยก็รวมทั้งหมดอย่างน้อยก็เอาของบูชาพระพุทธเจ้าก่อนดีไหม บูชาพระรัตนตรยัยหาคนให้ไม่ได้มังไแต่โดยพอก็คือพระพเจ้าต้องบูชาทุกวันอยู่แล้วต้องถวายพระเจ้าก่อนจึงบริโภคทีหลังใครคิดแบบนี้ไหมตั้งใจไว้แบบนี้ไหมนะพยายามตั้งในลักษณะอย่างนี้นั่นแหละบอกว่าวันนี้ถ้าเราไม่ได้ให้เราจะไม่บริโภคเราจะไม่บริโภคก็คิดอย่า ง, างนี้เนี่ยถ้าไม่ได้สละไม่ได้ให้จกไม่บริโภคไม่ใช่พอเมื่อให้พระรัตนตรัยเบสเสร็จแล้ว มีของที่สมควรแก่บุคคลอื่นก็ให้บุคคลอื่นใช่ไหมยังไงอยู่ในอยู่กับพ่อแม่มเทวรั ง, งจริงๆก็พระธาตุไรก็ควรบูชามีน้ํามีอะไรก็ควรบูชาทุกวันนะึงควรบูชาอยู่แล้วใช่ไหมดอกไม้ของหอมแต่างๆก็ควรบูชาแต่การให้พ่อให้แม่ควรทําเป็นประจํำด้วยซ้าไปควรทําเป็นประจําถ้าอยู่กับพ่อกับแม่ควรทําให้ท่านประจำนะ หรือถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่มีน้องมีพี่ต่างๆก็ฝากให้ท่านทํเนยะแล้วก็มีการเกื้อหนุนท่านในฐานะใดๆแต่ต้องบอกบอกให้ทํากับพ่อแม่อย่างนี้นะเรอให้ดูแลท่านอย่างไรแต่ต้องทาทุกวันเพราะบัณฑิตเนี่ยนะสบบรบุตทั้งหลายเนะี่ยต้องดูแลบิบดามารดาพระใช่ๆชต้องดูแลเลยขาดไม่ได้เลยนะข้อนี้เราจะดูพระดูดูดูบัณฑิตเขาดูว่า ดูแลผู้มีโอกาสคุณไหมดูตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ทิ้งพ่อแม่ส่งทิ้งจ่องเลยอย่าไม่ได้เล็กเสียเลยต้องดูแลต้องดูแลใช่ไหมในมีเข้อสังเกตดือดคนที่ปรารถนาใหญ่ๆทั้งหลายขอให้เข้าไเจ้าได้มีโอกาสดูแลบุบบิดามันเดาจะต้องมีจารีสินท่านต้องดีเป็นจารีสินที่ท่านจะต้องต้องทำ ไม่ใช่ว่านอกจากไม่ดูแลยังไม่พูดเสียสีท่านะต้องระวังเนยะอย่าไปทาให้ท่านทุกข์ใจเด็ดขาด น, นะ่ยอา้าวเราเกิดมานี่ให้พ่อแม่ดูแลหรือดูแลพ่อแม่ฮ <c oughs> ใครให้พ่อแม่ดูแลบ้างเราต้องดูแลพ่อแม่เนะยไม่ใชใ่พ่อแม่มาดูแลเราเนะี่ย <c oughs> ใช่ท่านดูแลเรามานานแล้ว <c oughs> ใช่หเมืม่อคนะืนเน่ยมายังไม่บอกเด็กอยู่คนหนึ่งนะ เขาเด็กสิบสามขวบแล้วเขาถามบอกโอ้ยแม่ลก็บอกว่าสอนยากเกินมาก็ถามว่าเอ้าบอกว่าอยากก็บอกอยากได้ดีไหมเขาบอกอยากได้ดีอยากเป็นคนดีไหมเขาอยากเป็นคนดีรู้ไหมคนดีเขาทำยังไงผมไม่รู้มึนหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าคนดีทํายังไงนี่มันมันน่ามึนไหมเขาไม่รู้เขาอยากได้ดีนะแต่เขาไม่รู้ว่าอยากเป็นคนดีไหมเขาก็อยากเป็นแต่คนดีก็ทํายังไงไม่รู้ ก็ต้องบอกเขาบอกว่าถามว่ารู้จักพอ่อจากแม่ไหมเขาบอกรู้พ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วใช่ไหมใช่เลี้ยงอะไรเรามานี่กี่ปีแล้วเนี่ยสิบสามปีปีหนึ่งมีกี่วันตอบไม่ได้เขานับไม่ได้เลยนนะว่าปีหนึ่งมีสาม้สาวันเ็คิดไม่ออกถามบอกว่าไอ้นไหมพ่อแม่เนี่ยก็ต้องล่เขาคิดเนี่ยว่าต้องต้องจัดที่นอนให้เราต้องดูแลเราตั้งแต่เนี่ย เรื่องตั้งแต่เราเคลอดออกมาเนี่ตั้งแต่ดูแลทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยพอเราโตขึ้นมาเราไม่เคยปูพี่นอนให้แม่นอนเลยย <laughs> ุ่งเรื่อง น, นี้ก็น่าคิดก็ไปไล่รายละเอียดดูที่ว่าเราเคยทําให้ท่านไหม <laughs> เคยทําไม่ทันตรงไหนก็นั่งไปนั่งคิดไปบอกเองเขาก็อ๋อก็าต้องทำอย่างนี้หรือใช่ไหม <laughs> บางทีเด็กทุกวันนี้เราไม่ได้บอกเขาเลยไม่บอกรายละเอียดท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบนี่ยเลี้ยงยังไงเลี้ยงไม่เป็นเลย จะกวาดบ้านช่วยท่านยังไม่เป็นหุงข้าวให้ท่านก็ยังไม่เป็นไหมจะดูแลยังไงก็ไม่เป็นซักผ้าให้ก็ไม่เป็นอะไรต่างๆทําให้ท่านเบา อ, อกเบาใจก็ยังไม่เป็นเล ย, ยนี้ก็ยุ่งเลยตรงนี้ก็ช่วยๆกันหน่อยนะเวลาไประดมเอาคําสอนพระเจ้าไปให้เลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงนต่อมันสั้นไปยังไมแค่เนี้ก็ต้องไปแจงรายละเอียดที่พระเจ้าสอนแบบนี้แบ เ, เสร็จแล้วพระองค์ไม่ได้จําแนกแจกไว้หรือไปแจกไว้ที่อื่นแล้วก็ตามไปค้นดูแล้วก็ไปแจกรายละเอียดให้เขาเห็น ถ้าบอกรายละเอียดในเด็กเขาอยากทำนะเด็กหลายๆคนก็อยากจะทำนะจารีศีลในข้อนี้ว่าเป็นศีลยงเป็นทานยังไงเป็นศีลอย่างไงก็บอกเขาใช่หให้เขาอยู่ในชั้นทานชั้นศีลได้ก็นาบว่าเลินแล้วใช่ไหมทาให้กระแสะชีวิตของเขาไม่ตกต่ำแล้วอย่างนี้เป็นต้นฉันจะพูดถึงในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าขับเน้นเรื่องอโลภอโทสารอโลอโทสารแล้วก็ตัวปัญญา แล้วก็พูดถึงในชั้นของการขยับขึ้นมาให้ด้านศีลกุศลให้เดินเพอศีลกุศลเนี่ยถ้าคารวะทั้งหลายก็กลุ่มทิฏหกทั้งหลายที่เป็นจารีศีลทั้งหลายต้องระดมให้เขาเข้าใจว่านี่เป็นจารีศีลที่คารื้อหาดควรปฏิบัติต่อกั น, นท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทางกิจของท่านดำรงวงตระกูลทําตนให้เหมาะสมอย่างไรใช่ไหมเจตนาในการที่จะกระทำดูแลทั้งหลายนี้ก็ไปแจกแจงรายละเอียด อันนี้ก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นด้านของศีลอันนี้คือการกระทำแล้วเป็นศีลด้วยนะแท้จริงถ้าเรามองขับเน้นเรื่องทานได้ไหมการไปดูแลพ่อแม่เป็นต้นหล่าเนี้ยการมีการดูแลท่านเอาของให้ท่านตักน้าให้ท่านเนี่ยเป็นทานก็ได้ใช่ไหมเป็นทานกุศลได้ยกตัวอย่างเช่นเอาน้ำแก้วหนึ่งถือไปให้แม่อย่างเงี้ยเราขับเน้นว่าเราจะให้แม่ พ่อแม่เป็นพระลรหันของลูกพ่อเป็นพระลรหันของลูกเป็นต้นเนี่ยตักน้ําไปก็ไปให้ก็คือเหมือนถวายพระลรหันนั่นเองอันนี้เป็นทานากุศลใช่ไหมกายกรรมเนะ่ยเป็นทานากุศลใช่ไหมพลานาพูดออกมาอ๊้ดีใจเหลือเกินเราแต่ก่อนเราไม่ได้ศึกษาว่าทำในด้านของทานกุศลใด้ชัดเจนแต่นี้เราเริ่มแยกทานกุศลที่เป็นไปทางกายได้แล้วก็ทําวาจาให้เป็นทานกุศลแม่ทานน้านี่นะ ไม่ใช่พูดอย่างเดียวด้วยไหม <laughs> พูดภาลนาวันน้ํานี่ดีอย่างนั้นทานไปแล้วจะสุขภาพดีจะได้ไม่เป็นโรคไตเหมือนพระเนี่ย <laughs> อย่างเงี้ยกระทบพระซะเลย <laughs> อย่างเงี้ lugar. อย่างเงี้ดีไหมอย่างเงี้ก็ได้ทานกุศลเลยใ네ช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ได้นะเหมือนพระอย่างเงี้เยเดี๋ยก็ทบพระท่าน <laughs> <laughs> อันนี้พูดได้เปล่าส่วนมโนกรรมที่เป็นทานกุศลก็คือไม่ทํากายวิจัยเคลื่อนไหวน้อมว่าเราจะต้องตักน้ําให้แม่ให้พ่อทานอย่างเงี้ย นี่เป็นเป็นมนโมนโกรรมที่เป็นทานกุศลนี่ได้ทานกุศลแล้วนะถ้าจะขับเน้นศีลกุศลจนะทำไงถามว่าการตักน้ําเดินไปพิจารณาว่าเป็นจารีตเป็นจารีตเป็นประเพณีในฐานะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะประพฤติขัดกล้าจารีตศีลให้บริบูรณ์โดยการอุบถากมารดาบีดาเดินไปอย่างเนี้ยกายกรรมเป็นเป็นอะไร เป็นศีลแลกายกรรมเป็นศีลเป็นจารีศีลแล้วเจอน้องบอกน้องด้วยมาช่วยกันดูแลแม่เนี่ยเป็นจารีเป็นวงประเภณีของเราเนี่ยวัจีกรรมเป็นจารีศีลไม่ทำกายวาจายเคลื่อนไหวคิดแล้วก็ภูมิใจเป็นกุศลนะตอนนั้นนะ่ะมโนกรรมก็เป็นจารีศีลเป็นศีลกุศลด้วย เห็นไหมกายกรรมเป็นทานกุศลวจีกรรมเป็นทานกุศลมโนกรรมเป็นทานกุศลกายกรรมเป็นศีลกุศลวจีกรรมเป็นศีลกุศลแล้วก็มโนกรรมเป็นศีลกุ ศ, กรรเกศลรร เ, ศเดินได้อย่างนี้พอเริ่มให้เป็นอะไรเป็นระเบิเส็จพัฒนาสู่ศีลไดอ้อย่างนี้ต้องนั่งกรรมฐานไหมเนี่ย <S <S ตอนนี้ยังไม่ทันานั่งเลยใช่ไหมเขาบอกว่าจารีศีลไม่บริบูรณ์วารีศีลจะเสียนะจะไม่บริบูรณ์นะนี่เป็นพุทธพจน์เลยนะ จารีศีนต้องแข็งแรงคนจึงจะเดินสู่วารีศีนได้ดีตรงนี้จริงๆน่าจะช่วยกันขับเน้นแล้วก็ไปแจกแจงรายละเอียดเยอะๆใช่ไหมอย่างเราที่รู้พระธรรมกันทั้งหลายหนึ่งไปทำด้วยทำด้วยแล้วก็ให้สิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ๆได้เห็นด้วยว่าความงดงามของโอ้คนศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศ า, าสางามอย่างนี้หรือใช่ไหมทานก็งามศีก็งามแล้วเดินขึ้นสู่ภาวนาได้ด้วย จะริศวาริตศีเนี่ยจะบริบูรณ์เนี่ยปฏิโมกขสังวรไม่อาจบริบูรณ์ได้ถ้าอินทรีย์สังวรไม่บริบูรณ์อ๋อใช่ใตรงนั้นตรงนั้นความบริบูรณ์ที่จะพัฒนาขึ้นสู่สูงสุดเพราะปฏิโมกเนี่ยจะไปบริบูรณ์สูงสุดนู้นในมรรคจิตผลจิตจะบริบูรณ์ตรงนั้นแหละนะตรงนี้ก็นั่นแหละเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันไปหมดแล้วใช่ให้สังเกตตัวนี้ เหตุผลที่ทําอย่างนี้คือขั้นตอนการขัดเกลวเลยนะการขัดเกลวกระแสะของชีวิตจริงๆเลยนะว่าธรรมะที่เรียนทั้งหมดเอาไปใช้ได้แบบนี้กลับไปยอมต้มทําได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมเริ่มบาําเพ็ญทานกุศลศีลกุศลกับแม่ได้เพราะแม่ยังอยู่ยังไม่ช้เริ่มคิดไว้อย่างนี้เป็นผู้พาคเจตนาก่อนได้เลยเนี่ยกลับไปจะต้องวางแผนว่าจะเดินจิตให้เป็นกุศลอย่างไงเริ่มกระทําต่อคุณแม่คุณพ่ออย่างไงก็ว่าไปใช่ไหม เนี่ยการสละการการการที่จะเดินทีนี้พอพอทำในด้านอย่างนี้นักเข้าเนี่ยประการต่อมาแตนี้แต่นี้แทบไม่ทำก็เดินจิตได้แล้วใช่ไหมแต่พอไปเดินจิตแล้วให้เลยใช่ไหมให้ความปลอดภัยในชีวิตได้เดินขึ้นสู่วาลีศีลได้แล้วให้ความปลอดภัยในชีวิตได้เหมือนท่านมหาเนี่ยสามารถที่จะให้ความปลอดภัยในชีวิตของโ ย, ยมบริวารได้บอกโยมบริวารใช่ไม ไม่โกรธแล้วก็ไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดทำลายกระแสชีวิตเนี้ยนอกจากไม่คิดทำลายแล้วยังสามารถคิดไปถึงว่าให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวแล้วมีความสุขไหมให้ให้ความปลอดภัยในชีวิตด้วยแล้วก็ให้มีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกด้วยจากหนึ่งชีวิตก็กระทบหลายร้อยร้อยพั น, พ, นพันชีวิตทุกชีวิตเห็นก็จะให้อย่างนี้เป็นต้น เนี่ยมันเดินได้อย่างเนี้ยเดินเดินเดินในด้านของกุศลศีลไม่จำเป็นต้องไปบอกย ม, มวัตรเลยใช่ไหมบอกย ม, มวัตรเนี่ยมาเนี่ยให้ชีวิตเกียรยมวัตรนะถ้าไม่ให้อมาฆ่าทิ้งเนี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ต้องไปพูดคานี้เลยใช่ไหมไม่ใช่ไปพูดคานี้เลยแปลว่าใจที่น้อมให้ไปเนี่ยกุศลศีลเดินแบบนี้แล้วให้ทุกข้ออย่างที่เคยกล่าวไว้ในรายละเอียดเนะี่ยให ให้ความไม่ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินไม่ใช่หนึ่งชีวิตด้วยทุกชีวิตที่มีทรัพย์สินก็จงอยู่กับทรัพย์สินโดยมีอย่างมีความสุขอย่างมีความเจริญให้ปลอดภัยด้วยให้มีชีวิตอยอู่กับทรัพย์สินด้วยความปลอดภัยบริหารทรัพย์สินของตนเองด้วยความปลอดภัยด้วยนะอย่างมีความสุขด้วยแล้วก็ให้ความปลอดภัยในบุตรในภรรยาของบุคคลอื่นด้วยไม่ไม่ทําให้เขาแตกแยกไม่ไม่พลาดคู่ครองเขาด้วยเห็นไหม การให้ให้ในลักษณะอย่างนี้บอกว่าให้แบบไม่มีประมาณนผลแบบไม่มีประมาณจะตอบสนองด้านบุนนั้นเป็นต้นด้วยหนึ่งแล้วก็นั่นแหละคําสัตว์คําจริงให้ให้คำไม่แตกแยกตรงนี้สําคัญมากๆไอ้วาจีกรรมทั้งหลายเหล่านี้ใช่ไหมว่าจีกรรมทั้งหลายเนี่ยสำคัญมากเลยทีนี้เราเดินศีลกันยังไงทําไมถึงรักษาตรงนี้ไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้แลวเราก็ศึกษาพระธรรมกันมาอย่างยาวไกลใช่ไหม แต่เวลาจะให้ตัวเจตนาศีลเจศสิกศีลเนี่ยสังวรศีลอวิติกรรมศีลเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เจตนาก็ตั้งใจก่อนตั้งใจก่อนที่ว่าเราเนี่ยไม่ว่าจะากเกี่ยวข้องกับใครก็แล้วแต่เนี่ยเราจะให้เจตนาที่เป็นไปกับกุศลศีลใช่ไหมเกิดขึ้นได้จริงๆเกิดขึ้นได้จริงๆโดยการให้ไงให้ความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาของบุคคลอื่น และในขณะเดียวกันก็คือให้คำสัตย์คำจริงตั้งใจอย่างเงี้ยแม้เกี่ยวกับถ้าเราจะเปล่งวาจากราวออกมาก็คือเป็นวาจาที่เป็นไปกับคำสัตย์คำจริงวาจาที่กล่าวออกมาเนี่ยจะไม่ได้กล่าวด้วยโทสะจะไม่ได้กล่าวด้วยโลภะจะไม่ได้กล่าวด้วยโมหะแต่จะกล่าวด้วยเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเป็นต้นจะกล่าวด้วยความไม่โลภจะกล่าวด้วยความไม่โกรธจะกล่าวด้วยปัญญานี่นะ เมื่อมีวาจาชั่วทั้งหลายจะออกมาเบ็เสร็จจะให้วิรตีมาทํำกิจในการตัดใช่ไหมตัดเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดกล่าวคําหยาบแล้วเพื่อเจือโอ้โหตรงเนี้ยวาจาก็ออกมาอย่างงดงามเลยใช่ไหมอันนี้เป็นการขัดเกลในด้านของชั้นของกุศลศีลเลยนะนี่เป็นการให้แล้วเป็นการให้เลยทําได้ไหมอย่างเงี้ยทําได้เลยเนะี่ยเอาใครว่ายากเดินศีลอย่างนี้ใครว่ายาก อาจจะปฏิบัติในชั้นศีลนี้ใครว่ายา ก, นนกาเพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนอยู่แล้วแล้วมีใครบ้างที่ไม่พูดพูดทุกคนเลยใช่ไหมยกเว้นคนใบ้เนี่ยนอกนั้นพูดหมดเลยเนี่ยแต่แต่ทำไมเราท่องศีลกันนะเจตนาก็ชื่อว่าศีลเจตสิกก็ชื่อว่าศีลสังวรห้าก็ชื่อวศีลอวีติกามการไม่ก้าร่วงก็ชื่อว่าศีลท่องได้เบีเส็จแต่พอจะมาใช้จริงๆไม่มีศีลศ <c oughs> ีลไม่เดินเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะอะไรอ่ะแล้วเราก็ให้อภัยตัวเองเรามันปูดชูชนเราปุดชนกันอยู่เนี่ยมันจะล่ำ บ, บาคใจ่เนี่ยใช่ใช่เนี่ยตรงเนี้ย ง, งั้นการตั้งใจการตั้งใจจึงช่วยได้ทั้งเยอะตอนนั่งรถ ม, ย ม, รย ม, มายังบอกกยมเลยยังบอกกยมบุญชัยบอกยมเนี่ยแค่ตั้งใจเนี่ย เราก็ได้ความมั่นใจตั้งห้าสบหกสิบอร์ซตแล้วแล้วให้ตั้งใจบ่อยๆคือยอมก็เล่ามาฟังว่าเนี่ยพอกลับจากอินเดียปกติก็จะมีกลับไปบ้านจากทำงานก็จะมีแวดบงจะชวนดื่มชวนอะไรบ้างพอมาไปเสร็จพอไปข่าวนี้กลับมาก็บอกเ <c oughs> ขาบอกว่าโอ้โหไปอินเดียกลับมาแล้วขอเลิกแล้วพวกพวก็มีพวกเชื่อกับพวกไม่เชื่อใช่ ามาก็เลยบอกว่าวิธีพูดนอกจากบอกว่าเออชีวิตเนี่ยมันก็ล่วงการผ่านวัยเจออะไรมาเยอะเพอเอิญก็คือในบ้านปลายชีวิตก็อยากจะทําสิ่งดีๆให้กับกระแสของชีวิตยิ่งไปฝ้างพระเจ้ามาไปฟังพระธรรมคําสอนมาก็อยากจะปรับเปลี่ยนก็เลยบอกว่าการเวลามันเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุผลมันเปลี่ยนใช่ไหมนี่เหมือนกันเมื่อได้เหตุผลที่ดีขึ้นมาเนี่ยชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้สิ ชีวิตเนี่ยมันจะไปมันจะไปถือแนวเดียวหรือวิธีคิดเดียวเดียวอยู่ได้ไงเมื่อได้เหตุผลที่ดีขึ้นมาในชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนก็บอกบอกบอกก็บอกในายกยศนะเดียวกันถ้าเราบอกว่าหนึ่งเราก็ต้องบอกด้วยว่าด้านสุขภาพด้วยใช่ไหมเพื่อนเขาก็ต้องเข้าใจเราใช่ไหมใช่หนึ่งด้านสุขภาพสองด้านในความตั้งใจที่จะรักษาสิเพื่อนเขาก็มองอ๋ออย่างนี้เหตุผลก็จะชัดขึ้น จะบอโอ้ได้มุมคิดแล้วก่อนนะได้มุมคิดแล้วใช่ไหมบางทีนะ่ะอาจจะบอกแค่ว่าเราตั้งใจงี้เพื่อนอาจจะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็บอกว่าต้องการดูแลสุขภาพด้วยเพราะอายุก็มากแล้วด้วยนั่นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่อีกมุมหนึ่งที่เราตั้งใจก็คือต้องการเจริญกุศลศีลเพราะว่าข้อสุดท้ายโดยเฉพาะพัทสลายใช้น้าเมาไปนั่นมันจะเป็นเหตุแห่งการล่วงละเมิดทุก ข, ข้อด้วย มันซึ่งเป็นข้ออันตรายมากนะก็เป็นเหตุทําให้เราพลาดพลั้งจากปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิฉาจานยิง่งดันั้นตรงนี้ก็คือเมื่อศึกษาพระธรรมก็ต้องใช้ศีลได้จริงๆนะตรงนี้ในข้อตรงนี้ทีนี้พอเดินกุศลศีลเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าผลของศีลผลของทานมีไหมถ้าเรามองเนี้ยผลของทานผลของศีลเนี่ยย่อมบริบูรณ์อยู่แล้วทีนี้ถ้าหากเราเดินทานนะเจตนาศีลเจตนาเป็นตัวเหล่านี้ชัดเจนเนะ เจตนาศีลก็ชัดเจตสิกศีลพราะเราฟังกันไปแล้วสังวรศีลอวิติกรรมศีลเนี่ยจนแข็งแรงแล้วฟังกันไปเยอะแล้วเนี่ยในเรื่องเหล่าเนี้ยเหลืออย่างเดียวแค่นั้นนะมาลองมือทำมา <laughs> <laughs> พูดตรงนี้อยากถามเยอะงคนที่ว่าฟังเรื่องศีลในธรรมก็เยอะเนี่ยนะเอาใครดีนะแต่ตอบใครใครลองเสนอทัศนวิธีคิดในการเจริญกุศลศีลฟังแล้วให้มั่นคงชื่นใจหน่อย <laughs> ได้ไหม เ, เดินยังไงดี เพราะในด้านของกุศลศีลเนี่ยหรือทานหรือศีลเป็นตัวเนี้ยถ้าเดินได้อย่างต่อเนื่องวิธีความคิดต่างๆก็ต้องแข็งแรงมากขึ้นอยู่ม้ก็ต้องแข็งแรงดูลองยกตัวอย่างหน่อยที่มีัหมเ อ, อ้าลองดูดิใครช่วยใครช่วยอธิบายเรื่องศีลให้ฟังหน่อยดยีพระก็อยากฟังธรรมะบ้างด้วนะ ก็จริงก็ศึกษามาพอๆกันกับทุกท่านที่อยู่ณที่นี้หรืออาจจะน้อยกว่าได้ซ้ำนะคะในเบื้องต้นเองเนี่ยเป็นผู้รักษาศีลนับตั้งแต่ปี 3-8 มารักษาศีล8ในวันพระนะคะแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าการรักษาศีล8ของเราในช่วงช่วงแรกๆเนี่ย มันเป็นการรักษาศีลตามความโลภของเรามากกว่าคือเราอยากได้อานิสงส์แห่งแห่งอุโบสถศีลจึงไปรักษาอุโบสถโดยที่ไม่ไม่รู้ข้อมูลในอุโบสถจริงๆดอย่างเช่นเราไปเหมือนไปอดอาหารพอตอนเช้านะคะ ทุกอย่างที่อยู่ขวางหน้าเราก็จัดการเรียบนะคะสั่งข้าวหมูแดงสั่งข้าวมันไก่สั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินอย่างละหน่อยๆตามความอยากของเราเพราะเหมือนกับว่าเราไปอดมาเ ป, เป็นอย่างนี้อยู่หลายประมาณสองสมปีจนเข้ามาศึกษาธรรมก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราทาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะะไม่ถูกต้องในเจตนาของการรักษาศรรีลก็ค่อยๆปรับจนมาเข้าสู่ เ, เริ่มจากมามาม า, มาบวชปีนี้เป็นพรรษาที่3ในช่วงของการรักษาศีลเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าอยู่ในในขั้นที่ว่าเราเราก็มขีข้อมูลมากขึ้นแต่เป็นการรักษาศีลในการลักษณะของการสมาทานสมาทานด้วยวาจานะคะ <c oughs> แล้วก็รักษาถือเอาไว้ในเวลา ที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ที่ได้รับข้อมูลจากที่มาศึกษาจากพระอาจารย์คือเหมือนเราเราคิดว่าเรามีศีลแต่พอมาศึกษาในเนื้อแท้ของจิตแล้วเนี่ยเรานะ่ะไม่ได้เป็นผู้มีศีลนะเราสักแต่ว่ารักษาเหมือนที่ในพระสูตรที่เรียกว่ า, เ, าเหมือนโคศีลเหมือนโควัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือเอาไว้ นึกว่ามีแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้มีตามนั้นเพราะว่าเราเราไม่ได้แยบขายอย่างเช่นเรื่องของเจตนาศีลเรื่องของเจตสิกศีลถามว่าเรื่องเหล่านี้เคยอ่านในคำพีวิสุทธิมรกมไหมเคยศึกษาไหมก็ตอบได้ว่าเคยอ่านเคยศึกษาแต่ไม่สามารถที่จะ น, น้อมนำมามาไข้ครวญจนจนทำให้เราสามารถปฏิบัติได้ศึกษาเหมือนศึกษาตามพยัญชนะ ะะสอนก็สอนไปตามพยัญชนะแต่โดยเนื้ออาจเนื้อธรรมเนี่ยเราอย่างยางแทงตลอดไปในส่วนนั้นไม่ได้ก็มานับตั้งแต่ไปไปปีที่แล้วที่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ก็เริ่มประพฤติขัดเกลามากขึ้นอย่างช่วงระหว่างนี้เวลาไปไหนมาไหนหรือว่าอย่างไรก็ตามยกตัวอย่างเมื่อาวานนั่งนั่งรถเมล์มาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออเรามีเวลาเยอะเราก็น้อม น้อมจิตว่าในสังเลขาสูตรนะคะว่าคนในรถเมลนีทั้งหมดเนี่ยนะจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งการเพียรเพี่ยนของเราแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยปลอดภัยในชีวิตปลอดภัยในทรัพย์สินไล่เรียงลําดับไปมาถึงตรงนี้ก็เลยอยากถามพระอาจารย์ว่าในฐานะที่เรารักษาศีล8เนี่ยในสังเลขาสูตรก็ตามเนี่ยเขาไล่ไปตามลักษณะของศีห้าเราจะไล่ยัางไงาอย่างเช่นว่า เราจะไม่ทําบุคคลเหล่านี้จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งการวิการรโภชนาของเราเนี่ยเราเราจะน้อมจิตอย่างนั้นอย่างไรหรือจะนะเออคนบุคคลเหล่านี้จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งการที่เราจะนั่งหรือนอนบนที่นอนสูงหรือใหญ่ในลักษณะของศีลแปที่เรารักษาอยู่แล้วขอถามต่อไปในแง่ของภิกษุศีลด้วยว่าท่านต้องไล่ถึง227ในปาติโม ข, ของท่านหรือเปล่าค่ะ <c oughs> เอาก็จะฟังเพลินๆเลยโดนคำถามเขาที่ทำให้มีโอกาสได้แง่มุมในในการคิดพิจารณาทำให้เราเข้าสู่ในโลกของการรักษาศีลเจ้าค่ะจริงวันนี้มาบรรยายจะกระท่อนกระแท่นเพราะอะไรรู้ไหมแววนมันตก แว่นเลยบี้ยวเลยตอนนี้ใส่ดูหนังสือไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะีก็เลยเดาๆ เ, เอ า, เอาบางครั้งมองอะไรต่างๆไม่ค่อยชัดนนคือคืออย่างงี้นะในสันเลขะธรรมในสันเลกสูตรในมัชฌิมานิกายเวโรบันนาดเนี่ยนะืเทนสูตรที่หลายๆท่านถ้าเอามาไข้ควรมาพิจารณาก็จะเห็นข้อปฏิบัติที่ท่านพูดถึงในด้านว่า แม้กุศลจิตุบาทที่เกิดขึ้นนะี่ก็ยังมีผลอย่างมหาศาลไม่ใช่ไม่มีผลแม้จิตที่คิดเกิดขึ้นว่าชนเหล่าอื่นชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้ฆ่าสัตว์ในข้อนี้เราจะเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยการคิดในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นแล้วใช่ไหม ด้การได้ข้อเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วก็เจริญกุศลธรรมทั้งหลายเป็นไปกับความตั้งใจในการที่ว่าเราเห็นสัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้ทั้งหลายหรือบุคคลอื่นทั้งหลายเป็นผู้ที่น้อมจิตเป็นไปในการฆ่าในการเบียดเบียนทั้งหลายเราก็จะไม่ฆ่าจกไม่เบียดเบียนชนเราอื่นเป็นผู้รักทรัพย์เนี่ยเราในข้อนี้เราจะเป็นผู้งดเว้นจากการนงดเว้นจากการลักจากการขโมยทั้งหลายเป็นต้นไล่ไปตามลําดับ ทีนี้ถ้าถามว่าในกลุ่มของการเดินตามกุศลศีลในด้านในด้านของสันเลกสูตรเนี่ยในสันเลกสูตรนั้นน่ท่านเดินธรรมะ44ข้อ44ข้ อ, ขอทั้งหมดเลยเหตุผลที่เดินไล่ไปในลักษณะอย่างนี้ทั้งหมดนั้น เ, นเป็นกระบวนการของการไข้ควรนะเป็นกระบวนการการไข้ควรเป็นไปตามลาดับเพื่อฝึกจิตให้เดินไปกับกุศลได้อย่างต่อเนื่อง ให้ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าใครสามารถเดินได้เป็นหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีห้าเป็นถึงถึงสิบจนถึงยี่สนาทีท่านผู้นั้นจะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วท่านแน่จริงใครเดินได้เจ็วันบรรลุได้เดินให้ได้จริงๆนะอย่าให้ตกล่องอกุศลนะทําไม่บรรลุก็ได้อัธยาศัยอย่างดีเลยหมายถึงคนที่ได้เป็นตีใหุ้กกาได้เหตุปัจจัยได้อะไรจริงเขาเดินต่อเนื่องจริงเขาบรรลุได้จริง ทีนี้ถามว่าถ้าในกลุ่มสินแปดใช่ในกลุ่มศินแปดเนี่ยถ้าข้อว่าถ้าเลยจากปานาติบาตไปแล้วเออเลยจากไอ้สุลามีรยาไปแล้วเนี่ยวิกาลโพชนาก็สามารถคิดได้ไหม ช, หมชนเราอื่นที่เาไม่ใช่มยคนเราอื่นเนี่ยเขาบริโภคอาหารในเวลาการ ในข้อนี้เราจะงดเว้นจากการบริโภคในอาาในวิาณวิการมันสามารถต่อได้นะคำสอนทุกข้อต่อได้หมดเลยนั่นคือความเข้าใจในการที่ไปไข้ควรเห็นความพิเศษของกุศลศีลที่เราเดินได้มากขึ้นนั้นศีลทุกข้อก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ถ้าถามว่าพระใช่ไหมกระโดดไปถึงในเรื่องของพระท่านไข้ควรพระนี้ต้องไข้ควรค่อนข้างเยอะไข้ควรค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าศีลของท่านมีเยอะ ข้ศีลของท่านเยอะเนี่ยโดยเฉพาะว่าในการใช้ชีวิตจริงๆของท่านเนี่ยในการเราไม่รู้หรอกว่าพระเวลาท่านจะเดินไปเวลาท่านจะห่มจีวรเวลาท่านจะใช้บาตเวลาท่านจะใช้ห้องน้ําเวลาท่านจะนั่งปัสสาวะถ่ายอุจจาระทั้งหลายเกี่ยวกับศีลของท่านหมดเลยอ่ะฉะนั้นทุกชีวิตจริงของท่านเนี่ยในการเกี่ยวในการทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านจะต้องคิดถึงศีลของท่านคิดถึงศีลของท่านตลอดเพราะถ้าไม่คิดเนี่ยกุศลศีลมันไม่เกิด ก็เหมือนที่ท่านมาอำนาจบอกเมื่อวานว่าท่านสวดปฏิโมกแต่ก่อนสวดก็ธรรมดาเอวเมสุตังเอกังสเมียงเออสวดสุนารุเมพันเตเนเราสวดไปตามดับนี่ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเพียงว่าสวดเออทำยังไงจะสวดให้จบให้ถูกอัคคละให้อะไรต่างๆพอประมาณแนะนําว่าท่านลองสวดแล้วให้สําคัญว่าพระศาสดากําลังท่านสอนท่านทำได้ไหมท่านก็เลยสวด อย่างงี้นท่านบอกให้มนัสสิการ์ในรักเพราะท่านไปสาธยายสาธยายขึ้นมาก็สาธยายไปก็นั่งร้องไห้ไป <Ooh. S 1> เข้าใจว่าพระศาสดาสอนท่านจริงๆเอาเสิอย่างเงี้ยไม่ใช่บรนั่งบรรปั้นคําพูดที่จะนั่นนเราลองคิดดูจริงๆถ้าเราไปสวดอะไรแล้วก็เป็นศีลของท่านเองเลยทุกข้อเลยใช่ไหม <S <S เริ่มตั้งแต่ประชิกสีสังขารที่เศษสิบสามอา น, นิยตสองนิสกียปาปาจิตีสามสิบ ปาจิตีเก้าสิปาติเตสนิยสีเซกิยาวเจ75มันเป็นข้อปฏิบัติของท่านทั้งหมดแล้วคําเหล่านั้นเป็นคําตรัสของพระเจ้าแต่เพียงท่านสาธยายท่านสวดได้ไงแล้วก็แปลได้เขาอีกเข้าใจไหมแปลได้แล้วก็เข้าใจภ า, าษาสดาสอนเราแท้ๆเราไปนึกว่าเราสวดให้คนอื่นฟังอยู่มาตั้งนานตั้ง10ปีอย่างนี้ท่านก็ หนักขึ้นมาโอ้โหพระศาสดาสอนเราตลอดเวลาฟังเสียงเหมือนถ้าใครฟังฟังพระธรรมคำสอนในขณะที่เรามาฟังธรรมแล้วเมื่อเป็นไปกับคำสอนเหมือนเอามาอ่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นต้นไปตามดับเนี่ยทุกคนไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงอะกมาเลยสำคัญว่าตนเองกำลังอยู่ต่อนหน้าพระพาของพระพุทธเจ้าแล้วฟังพระธรรมหลงพเอาอัฏฐเอาความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั่นจริง นะถ้าใครเดินจิตได้อย่างนี้ท่านผู้นั้นก็เริ่มใกล้ชิดในคําสอนมากขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราจะอ่านแบบร้อยก็ได้บอกว่าเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ว่าไปตามดับสนุกสนานอ่านได้โลภะก็ได้อ่านได้โทสะก็ได้อ่านได้โมหะก็ได้ถามว่าเมื่อไหรเราจะเข้าถึงคําสอนถ้าเราศึกษาแบบนี้เมื่อไหรใจมันก็ห่างเหินคําสอนมากเลยะใช่ไม่ใช่ไหมใ ช, มใช่ก็มองไม่เห็นสักทีว่าเมื่อไหรพระเจ้าจะสอนต้นเด่นสักที แต่อันเนี้ย้าถามบอกว่าสุนาตุเมพันเตเนี่ยก็คือว่าขอสองจงฟังเขาบพระเจ้าใช่ไหมกันไล่ไปตามลำดับแล้วพระธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสหมดเลยนะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ผิดถูกยังไงฉะนั้นในขณะที่กล่าวไปเป็นตามลำดับเนี่ยความอัตะเนื้อความของ ข้อปฏิบัติต่างๆก็ปรากฏขึ้นในใจตลอดปรากฏขึ้นในใจตลอดเราลองคิดดูนะว่าในชีวิตของพระนี่นะหรือของคารวาสทั้งหลายนี่นะเราเคยล่วงละเมิดกันมาแต่และบุคคลก็ต่างกันออกไปใช่ไหมสมัยก่อนรักษาศีลเราก็รักษาศีลเพราะว่าหนึ่งตั้งใจจะมารักษาแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาพระเจ้าถูกต้องกันเท่าไหร่เพราะเรามาไม่ใหม่ก็มากันแบบไม่ค่อยเข้าใจกันแทบทั้งนั้นแหละแต่พอมาเริ่มเรียนรู้เข้าใจฟังธรรม เกิดความเข้าใจเริ่มชัดเจนขึ้นมาเนี่ยทานิอ่านพระไตรปิฎกก็มนาสิการว่าพระศาสดาสอนตนแม้ฟังพระธรรมที่มีเป็นไปกับคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วก็สามารถเข้าถึงอัฏถะคำสอนนั้นได้จริงๆเหมือนอย่างที่ท่านมหาบอกว่าพอสวดศีลของตนเอง227ข้อเนี่ยเพราะแต่ละข้อแต่ละข้ อ, ขอก็เห็นว่าเสมอเหมือนเป็นพระบรมศาสดาพร่ำสอนตลอดพร่ำสอนตลอด มันชี mind, Likewise, ้ถามบอกว่าแล้วก well ุศลศีลของพระเดินยังไงถามว่ากุศลศีลของพระเนี่เป็นรายละเอียดเยอะเมื่อเป็นรายละเอียดเยอะเนี่ยพระจะต้องคิดตลอดในเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยเพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัย4ี่เกี่ยวข้องกับการใช้บาตใช้จีวรเกี่ยวข้องกับการยืนการเดินแม้การบินธบาตใช่ไหมแม้แต่การบินธบาตรการทอดสายตาอะไรต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการที่ท่านจะต้องใช้ชีวิตของท่านอยู่กับศีลนั่นเ แต่ถ้าถามว่าถ้าสมัยก่อนอนะมาก็ไม่ได้คิดเพียงแต่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเออให้ทำยังไงมาก็ทำตามครูบาอาจารย์ไปเช่นครูบาอาจารย์บอกว่าให้อุ้มบาทอย่างนี้เวลาใครใส่บาทมาก็ให้คิดให้พรเขาเนี่ย ก, ก็คิดแค่นั้นแหละแต่พอต่อมาพอเราได้ข้อมูลในคำสอนเบสเร็จเนี่ยท่านก็สอนการเดินการวางใจยังไงคำสอนต่างๆก็มาคอยฉลมวิธีคิดทุกเรื่องก็ต้องคิดก่อน เช่นจะรับของจะอะไรต่างๆหเหล่านี้กุศลศีลก็จะต้องเกิดขึ้นมาแม้แต่จการจะฉันอาหารก็เริ่มจะไม่ใช่อยู่ในชั้นของปฏิโมกอย่างเดียวขึ้นถึงปัจเจเวขนะเห็น ไ, ไหมในการในี้การพิจารณาที่ท่านใช้คำว่าขึ้นสู่เรือใหญ่ในการพิจารณาในการที่จะมาวิจัยพิจารณาอย่างนั้นสิ่งต่างๆนี้ถามว่ามีการตกหล่นเป็นระยะไหมมี ม, มีแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมานาสิการในการที่จะทําให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปในลักษณะนั้นเพราะว่า เห็นความเห็นความดีที่ตนเองได้เข้ามาอยู่ในในแวดวงตรงนี้ก็คือว่าทําให้เราได้มีกุศลลศีลเป็นข้อพิจารณาได้เยอะขึ้นนั่นคือเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดที่เยอะขึ้นแล้วเป็นความเป็นความอุ่ยยนใจนะเป็นความอุ่นใจเหมือนเรานอนอยู่ในบ้านที่มีรัว้วรอบขอบชิดเนี่ยมันมั่นใจตัวเองอย่างนั้นฉะนั้นข้าหากอยู่ในเพศของของนักบวชเนี่ยความอุ่นใจต้องมากมันมาก ถ้าเราเปรียบเทียบสมัยเป็นฆราวาสกัเป็นพระเนี่ยต่างกันเลยการเป็นพระเนี่ยความไม่ปลอดภัยสูงในความรู้สึกตอนนั้นนีแต่พอเดินเข้ามาอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดเนี่ยรู้สึกว่าความปลอดภยัยความอบอุ่นมั่นใจว่าความใกล้ชิดกับพระบรมศ า, าสดาเหมือนมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมาศึกษาพระธรรมอ่านคําสอนแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็ก็ด้วยการที่เราเราได้หลีกเล่นออกมานนั่นคือความชัดเจนขึ้นมา ถึงบอกว่าชีวิตของพระจึงมีโอกาสค่อนข้างเยอะตรงนี้ที่ว่าไม่ต้องไปหมกมุ่นในด้านของวัตถุกรรมแล้วก็ไม่พยายามป้องกันกิเลสกรรมทั้งหลายไม่ให้รั่วรดจิตใจใช่ไหมชีวิตของพระจึงคารวะ จ, จึงยากที่จะเข้าใจพระนะยากยากในกรณีที่ว่าชนเหล่าอื่นเนี่ยมักบริโภคอาหารหลังเที่ยงวันเนี่ยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ย ก็คนอื่นเขาไม่ได้รักษาศีลแปดนี่ก็ใช่แล้วเราพิจารณาแบบน้อมน่ะมนฑสิการอย่างนี้เนี่ยก็เพราะเขาไม่เห็นอานิสง์อเขาไม่เห็นอานิสง์ก็เราเห็นอานิสง์ก็เพราะเขาไม่เพราะเขาไม่เข้าใจคําสอนใช่ไหมตอนนี้เราเราเห็นอานิสง์แล้วว่าการเพิ่มกุศลศีลนั้นเป็นทางเดินแห่งการปิดกั้นกิเลสได้มากขึ้นเมื่อเราเห็นประโยชน์กับการมีกุศลศีลเหล่านี้เราจึงสมาทานในการที่จะรักษา S <S อย่าลืม<ช>นะ ว, ว่าสีเนี่ยมาจากสมาทานเน่ยไม่สมาทานที่ตั้งมันเป็นสมาทานวิรัติแหละที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดความวิรัติหรือตัววิรัติจะได้มีมาทํากิจในการขีหลักเวรลเจตนาอากุศลทั้งหลายจะถูกละได้วิรัต<ช>ิวิรัติทั้งหลายจะมา ง, งดเว้นได้เพราะเราตั้งใจไว้นั่นเองเหมือนพระเนีมาจากสมาทานนะมาจากมาทานคือการตั้งใจเข้ามาสู่ร่มภาคกาสัมปชันครั้งแรกที่รับศึกขาบททั้งหลายมาปฏิบัตินั่นเองนั่นแหละ เนี่ยเป็นไปอย่างนี้แล้วเราก็ต้องน้ำมัสิ ก, การในใจโดยโดยโด ย, โดยตอบประโยชน์เพื่อให้เราเนี่ยมั่นใจแล้วก็น้อมใจให้เกิดความคื อ, อเจตนาตเจตนานั่นเองเจตนาในการตั้งใจในการที่จะรักษานั่นแหละมัน <c oughs> เป็นสมาทาน <c oughs> เป็นสมาทานนีขออนุญาตถามเพิ่มเติมอย่างในกรณี สมมุติในศินสิทที่พระอาจารย์ได้ให้หนังสือไว้ในการรักษาสินสิทธินะคะคือไม่รับเงินละทองในฐานะของเราเนี่ยเราหยิบจ่ายได้ไหมเราไม่ได้รับแต่เราจ่ายครับจริงๆถ้าไม่รับก็จะไม่เกี่ยวข้องนะเพราะว่าชีวิตของเราอย่างต้องจ่ายไงคะทีจริงเขารักตรงนั้นบางคนก็คิดอย่างงี้นะว่าเอางี้ว่าคือต้องไปดูในคติการสูตรนะค่ะ ไปดูในคติการะสูตรเป็นข้อเปรียบเทียบว่าท่านใช้ชีวิตยังไงในการไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองเออเนะี่ยทั้งๆที่ท่านเป็นคาาว า, าท่านเป็นคาาวาทใช่ไหมสรุป แ, แนะนําสักหน่อยได้ไหมคะอ อ, อย่างนี้ก็คือว่าในคติการะนี่นะพรามณ์นี่นะท่านมีเพื่อนเชื่อวโชวติปาราในสูตรเนี่ยท่านท่านดูแลพ่อและแม่ในขณะที่ท่านดูแลพ่อและแม่เนี่ยท่านจะต้องพ่อแม่ก็ตาบอดด้วย แล้วท่านจะต้องประกอบการค้าด้วยใช่ไหมท่านก็เลยปั้นหม้อทีนี้การจะปั้นหม้อท่านจะขุดดินก็ไม่ได้ใช่ไหมจะขุดดินก็ไม่ได้จะตัดหญ้าเป็นต้นก็ไม่ได้ถ้าว่าท่านถือท่านข้อว่าท่านเป็นพ้านาคาเนี่ยแต่ท่านเป็นคารวะท่านก็เลยไปเอาแผ่นดินที่มันพังลงมาเองหรือดินที่หมูขุดเป็นต้นไปหาดินประเภทนั้นมาก็มาปั้นเป็นหม้อเป็นสิ่งของต่างๆเนี่ยเวลาท่านเข้าป่าท่านก็ไปหาไม้แห้ง ที่ไม่ใช่เป็นไม้สดทั้งหลายเพราะท่านจะไม่ตัดไม้ทำําาท ำ, ทำไรเป็นต้นหลไรเนี้ยเอามาทําฟืนทํำไรเป็นต้นแล้วเวลาท่านเอาวางของขายของท่านเนี่ยท่านก็จะเขียนไว้หมดเลยใช่ไหมท่านจะบอกว่าอันนี้แลกข้าวอันนี้แลกงาเลือกถั่วแกลกอะไรเงี้ยท่านไม่เอาเป็นเงินใช่ไหมไม่ได้เอาเป็นอักขระปัญหเลยเอาเป็นของแล้วท่านก็วางเขาไว้ถ้าใครปรารถนาจะหยิบไปท่านก็ไม่โกรธใชไมไม่ได้โกรธเลย ก็วางะใครๆก็รู้ว่าถ้ารักษาศีลอย่างนี้ทัวบ้านทัเมืองมีแต่คนอยากให้ท่านไหมโอมีแต่คนอยากให้ลองทำดูที่ในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหถ้าทาอาจจะเดือดร้อนใหม่ๆ ม, มเดือนแรกสองเดือนแรกเพราะเพินปีๆขึ้นมาของเต็มบ้านเต็มเมืองไม่อดหรอกใช่ไหม อย่างเช่นเราเราเองเรายังต้องจ่ายอ่ะซื้ออาหารบ้างหรือว่านั่งรถนั่งหลางเงี้ยเราต้องจ่ายไม่ต้องให้ไม่หม่ก็ไม่ต้องไปก็เดินนะก่อนเราต้องให้ได้ไหมไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ไหม่ๆก็ต้องเดินเนอะก่อนใช่ไหมก็จนกว่าบุญทานกุศลจะให้ผลเนี่ยจนทานอกุศลสิกุศลก็เหมือนพระเนี่ยใหม่ไม่ที่จะทนรักษาศินก็ต้องจนกว่าทานกุศลจนกว่าที่จะมีผลผลิตออกมาจนกว่าจะไปไหนก็มีคนพอจะรับไปบ้างอะไรบ้าง ถ้าเขรับไปปล่อยไว้ตรงไหนก็วางใจให้เป็นนะก็จะคิดว่าจะรักษาศีลไม่จับเงินจับทองก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องวางจิตให้เป็นทีนี้ก็ต้องก็ต้องใหม่ๆก็อึดอาดไหมล่ะใหม่ๆก็ต้องอึดอาดใช่ไหมมันไปลําบากนะเราโอ้โหทําไงดีนะไม่มีคนโาวนาไม่มีอะไรต่างๆนี่จะทํำยังไงถ้าที่ง่ายๆก็คือว่าตามครูบาอาจารย์เข้าไปก่อนใหม่ใก็ตามตามเข้าไปก่อนตามเข้าไปก่อนก็เป็นอย่างนั้นเลย คื อ, คอต้องทนการรักษาศีลเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วไปทําให้มันยุ่งยากก็ไม่ได้แล้วจะให้ได้อย่างใจก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกโอ้โหทําไมเราลําบากเหลือเกินเนี่ยถ้ามีเงินมีทองแล้วก็ไปได้สะ ด, ดกสบายตรงนี้ก็พยายามองออกันึงไอ้ตรงนี้เบรกกันสักสิบห้านาทีดีไหมอันนี้